ตอนที่ยี่บาสองหยวนก็ให้เยอะเกินไปแล้วเสียวเซียวโจว้วยกัวหันขอบไปมองเมื่อเห็นว่าเป็นเพื่อนร่วมชั้นมัธยมปลายแถมยังเป็นซุนเสี่ยวเซียวคนที่เขาให้ความสําคัญที่สุดสีหน้าของเขาก็พันดูแย่ลงทันทีโจว้วยกัวเธอมาทํางานพิเศษหาลําให้เรียนเหรอเมื่อเห็นว่าเป็นเพื่อนร่วมชั้นซุนเสียวเซียวจึงควงแขนเพื่อนเดินเข้ามาหาบ้านเธอ เมื่อเห็นสีหน้าของโจว่งกลัวดูไม่สู้ดีสุนเสียเส่ยวเซียวก็รีบหยุดคําพูแสดงความหองอยใหญ่เอาไว้ก่อนจะหยิบเงินสองหยวนออกมาจากกระเป๋าโจว่งกลัวเธอรับนี่ไว้เธออีกไม่นานก็จะขึ้นมหกแล้วอย่าให้เรื่องที่เกิดขึ้นที่บ้านมาทําให้เสียการเรียนเลยนะไม่ใช่หลอกเสียเส่ยวเซียวแม่ชั้นนศีบังคับให้มาขายเจียห ม, มูบอกว่าอยากให้มาฝึกหาประสบการณ์นะโจว่งกลัวไม่แก้ตัวยังจะดีเสียกว่าพอแก้ตัวออกมาแบบนี้กลับยิ่งดูเหมือนร้อนตัวเข้าไปใหญ่ออเป็นอย่างนี้นี่เอง งั้นฉันซื้อสักชิ้นแล้วกันถือว่าอุดหนุนเพื่อนสุนเสียวเซียยิ้มอย่างร่าเริงก่อนจะกล้าเข้าไปที่แผงลอยพี่สาวข้หนูขอซื้อเจีย ป, ปิ่งชิ้นหนึ่งได้ไหมคะซูมาอินเหลือบมองโจ้ว้วยกัวที่แอบอยู่ข้างหลังพางก้มหน้าต่ำแล้วหันมามองเด็กสาวหน้าตาสวยตรงหน้าก็นึกรู้ทันทีว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรได้แน่นอนจะแต่ว่าหนูเรียกพี่สาวนี่ดูจะผิดรุ่นไปหน่อยนะซูมาอินคี้มันฝรั่งเส้นใส่ลงไปในป้าจีหมูฉันเป็นญาของว้ยกัวนะเอ๊ะ ซุนเสี่ยวเซี่ยวกับเพื่อนร่วมชั้นถึงกับอึ้งคุณยังดูสาวขนาดนี้ทําไมถึงเป็นอาจจะเป็นเพราะลำดับญาติในตระกูลน่ะเพื่อนที่มาด้วยกันสกิจซุนเสี่ยวเซียวเสี่ยวเซียยพวกเราไปกันเถอะเดี๋ยวห้องสมุดจะปิดเสียก่อนซูม่านอินส่งเจียหมัวให้ซุนเสี่ยวเซียวหนูเป็นเพื่อนของเว่ยกัววันนี้ย่าไม่เก็บเงินพวกหนูหรอกจ้ะไม่ได้หรอกคะซุนเสี่ยวเซียยยืนกรานพางหยิบเงินหนึ่งมาออกมาหย่อนลงในกล่องเงินคุณย่าน้อยคะพวกคุณธำมค้าขายมันไม่ง่ายเลย อีกอย่างพวกหนูจะกินฟรีไม่ได้หรอกคะ่ะตายจริงเว้ยกลัวเพื่อนของหลานนี่ช่างมีมารยาทและรู้ความจริงจริงเลยนะชินเสี่ยวเยเว่ที่กำลังเก็บเงินเอ่ยชมซุนเสียเส่ยวเซี่ยด้วยรอยยิ้มแม้คําพูดหลังจากนั้นจะไม่ได้พูดออกมาแต่โจ้เว่ยกลัวก็เข้าใจดีว่านางกําลังเหน็บแนมว่าเขาไม่มีมารยาทไม่รู้ความและไม่คู่ควรกับอีกฝ่ายโจ้เว่ยกลัวพวกเราไปก่อนนะซุนเสี่ยวเสี่ยโบกมือลาโจ้เว่ยกลัวส่วนเขาก็โบกมือตอบด้วยความขัดเขิน เมื่อมองตามแผ่นหลังในชุดกระปรงสีแดงของซุนเสียเส่ยวเซี่ยวไปไม่รู้เพราะเหตุใดโจเว่กัวกลับรู้สึกต่ำต้อยอย่างรุนแรงหลังจากความวุ่นวายในช่วงเที่ยงจบลงโจเว่กัวก็นั่งแปะลงข้างๆมองดูคนอื่นๆเก็บข้าวของที่แผงเสี่ยวเย่เว่แม้กะ ว, ว่าจะไปซื้อเนื้อหมูเพิ่มหน่อยซูมานอินปรึกษาวันนี้คนส่วนใหญ่ตั้งใจมาซื้อโรเจยหมูกันทั้งนั้นอีกอย่างโรเจยหมูก็ทาเงินได้เร็วกว่าด้วย แม่ชินเสี่ยวเย่เว่จะรู้ซึ้งถึงเหตุผลนี้ดีแต่นางก็รู้สึกท้อใจเมื่อนึกถึงการที่ต้องตื่นแต่เช้ามืดไปยืนต่อแถวแม่น้อยคะหรือว่าพวกเราจะไปหาหัวหน้าสถานีเก่าให้เขาช่วยสืบดูว่าร้านอาหารได้เนื้อมาจากไหนชินเสี่ยวเว่ร์กอดกล่องเงินพางขมวดคิ้วพวกเราไปยืนต่อแถวตั้งครึ่งค่ำวันสุดท้ายซื้อเนื้อได้แค่กิโลสองกิโลผลลับกับสิ่งที่ลงแรงไปมันไม่คุ้มกันเลยจริงๆซูมานอินเองก็รู้ว่านี่ไม่ใช่แผนการระยะ ย, ยาวแต่ช่วงนี้นางรบกวนเกาฉางเหอบ่อยเกินไปแล้ว ชิ้นเสี่ยวเย่เว่เห็นความกังวลของนางจึงขยับเข้าไปใกล้แล้วเสนอว่าฉันจำได้ว่าในนิยายย้อนยุคเขามีตลาดมืดกันหรือว่าพวกเราจะลองไม่ได้นะแม่น้อยในตลาดมืดนั้นมีแต่คนเลวทั้งนั้นเลยซุนจิวหลิงได้ยินแม่สามีกับลูกสะภ้ยปรึกษากันเรื่องจะไปตลาดมืดก็อดเป็นห่วงไม่ได้รู้แล้วจะเรื่องผิด ก, กฎหมายพวกเราไม่ทำหรอกซูมานอินป่าก็ว่าอย่างนั้นแต่ในใจกลับเริ่มคิดที่จะเสี่ยงดูสักตั้ง ในยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนผ่านเช่นนี้ตลาดมื้อเปรตเสมือนพื้นที่กึ่งเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟตรอกซอกซอยหรือแม้แต่บ้านของคนรู้จักก็ล้วนมีการซื้อขายเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นหากนางสามารถเจาะช่องทางนี้ได้ก่อนที่คูปองเนื้อจะถูกยกเลิกไปเนื้อของพวกนางก็จะมีความมั่นคงขณะที่กำลังวางแผนอยู่นั้นโจ้เว่วยกัวก็ขยับเข้ามาหาคือว่าวันนี้ผมมีค่าจ้างไหมครับ ซูมานอินึกว่าหลังจากเขาได้เห็นมารายาทของเพื่อนร่วมชั้นแล้วจะมีความคิดความอ่านขึ้นมาบ้างแต่ดูเหมือนว่าเด็กคนนี้จะดูถูกพวกนางไปถึงกระดูกดำเสียแล้วเว่ยกัวแม่ของหลานไม่ได้บอกเลยว่าให้มาฝึกหาประสบการณ์นะ่ะชินเสี่ยวเย่าขยับเข้ามาล้อเลียนด้วยรอยยิ้มปกติกิจกรรมหาประสบการณ์นะเขาต้องเสียเงินเข้าร่วมแล้วทำไมพอเป็นหลานถึงกลับมาของเงินเสียได้ล่ะ โจ้วยกลัวนึกไม่ถึงว่านอกจากจะไม่ได้เงินแล้วยังอาจจะต้องเสียเงินอีกสีหน้าของเขาจึงพันดูแย่ลงทันควันหมายความว่ายังไงงานที่ผมทําไปคือทําฟรีงั้นเหรอน้ําเสียงของโจ้วยกลัวไม่เป็นมิดดวงตาทั้งคู่จ้องขม็งไปที่ฉินเสี่ยวเยเว่ยอย่างดูร้ายสีหน้าของฉินเสี่ยวเยเว่พันสลดลงทันทีเหอะพวกเราไปอ้อนวอนให้แกทําหรือไงผมไม่สนแม่ผมบอกว่าถ้าทํางานก็ต้องได้ค่าจ้าง ซุนจิ๋วหลิงยืนอยู่ด้านข้างรู้สึกว่าโจว้วยกัวทําเกินไปหน่อยปกติเด็กในบ้านช่วยผู้ใหญ่ทํางานที่ไหนเขาคิดเงินกันแล้วนี่อะไรจะต้องเอาค่าจ้างให้ได้เลยงั้นเหรอแต่เธอก็ยังมีความประทับใจในฐานะที่โจว้วยกัวเป็นนักเรียนมัธยมปลายอยู่จึงตัดสินใจหยิบเงินสองหยวนออกมาส่งให้โจว้วยกัวเว้ยกัวรับไปเธออย่าทําให้คุณย่า ก, กับอาสไปรเล็กของแกต้องลําบากใจเลยโจว้วยกัวกําเงินไว้พอเห็นว่าเป็นเงินเพียงสองหยวนหัวใจก็พลันหนักอึ้งทําไมมีแค่สองหยวน งั้นแกบอกมาสิว่าอยากได้เท่าไหร่หลานชายตัวดีของฉันซูมานอินดีตาที่เปื้อนยิ้มเดินเข้าไปหาโจเ ว, ว่กัวโจเ ว, ว่กัวโกรธจัดที่ถูกเรียกว่าหลานชายตัวดีความจริงเขาขมโทสะไว้ตั้งแต่ตอนที่นางแนะนําตัวกับซุนเสี่ยวเสี่ยวแล้วโจเ ว, ว่กัวสุกเงินสองหยวนลงในกระเป๋าก่อนจะตวัดสายตามองค้อนซูมานอินอย่างแรงงานนี้ผมไม่ทําแล้วต่อให้พวกคุณมาอ้อนวอนผมก็ไม่มาพูดจบเขาก็หันหลังวิ่งหนีไปอย่างฮึดฮัด เธอไอเด็กแสบนี่เรียนหนังสือเสียเปล่าจริงๆชินเสียวเย่เว่ยถมน้ำลายเล่หลังโจเว่กัวทำอะไรก็ไม่เป็นสับปะรดแต่ดันหลงตัวเองว่าดีเลิศเหลือเชื่อจริงๆเอาเธอจะไปถือสาอะไรกับเด็กซูมานอินตอบฉินเสี่ยวย่าวาจากนั้นก็หยิบเงินอีกสองหยวนยัดใส่มือซุนจิวหลิงเธอนี่ในตัวเองยังมีลูกอีกสองคนต้องเลี้ยงทำไมถึงใจกว้างเอาเงินไปให้ลูกคนอื่นแบบนี้ซุนจิวหลิงพยายามปฏิเสธแต่ซูมานอินแรงเยอะกว่าจนเธอขัดไม่ได้สุดท้ายจึงต้องจำใจรับไว้ ช่วงบายซูมานอินขีจักรยานพาชินเสี่ยวเยเว่ตะเวนไปตามท้องถนนหนึ่งเพื่อสืมหาที่ตั้งของตลาดมืดและสองเพื่อชมทัศนียภาพในยุคแปเพื่อนรักคุณแม่เลี้ยงเห่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนัอากาศในยุค80นี่ดีจริงๆชินเสี่ยวเยเว่นั่งซ้อนท้ายพรางเอามือปิดจมูกและปากมองดูฝุ่นละอองที่ปลิวว่อนตามแรงลมแล้วอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของดินที่แสนจะสดชื่นซูมานอินรู้ดีว่าประโยคหลังของเพื่อนรักคนนี้ต้องมีจุดหักมุมแน่ๆ หลังจากเดินเที่ยวอยู่ทั้งบ่ายทั้งสองก็พบสถานที่น่าสงสัยสองแห่งจริงๆเป็นไปตามที่ซูมานอิงคาดไว้แห่งหนึ่งอยู่ในตรอกข้างสถานีรถประจำทางอีกแห่งอยู่ในซอยหลังกงเซียลเซอร์ถึงแม้พวกเขาจะพยายามปกปิดซ่อนเร้นแต่น้ำหนักของไข่และเนื้อที่ล้นออกมาจากตะกรา้าก็บ่งบอกว่าที่นี่มีรับลมคมในน่าจะเอาตะกร้ามาด้วยซูมานอินไม่พอใจในความผิดพลาดของตัวเองอีกครั้ง หลังจากปรึกษากันทั้งสองก็ตัดสินใจว่าพรุ่งนี้จะเตรียมอุปกรณ์และเงินมาสำรวจที่นี่ดูทั้งสองกินบะหมี่ผักชามใหญ่สองชามที่ร้านอาหารของรัฐในราคาเพียงสามเมา้าชินเสียเยอเวิร์ไม่ได้ที่จะอุทานถึงค่าครองชีพในยุคนี้อีกครั้งเมื่อทั้งสองกลับถึงบ้านท้องฟ้าก็มื้อสรวลงแล้วพอถึงหน้าประตูบ้านก็เห็นร่างที่คุ้นเคยยืนอยู่พี่สะพายเล็กมีผู้ใหญ่ที่ไหนเขาทำกันแบบนี้บ้างหวังเกลฮาแผ่เสียงดา ให้เงินแค่สองหยวนนึกว่าให้ทานขอทานหรือไงซูมานอินเข็นจักรยานพางยิ้มรับมืออย่างใจเย็นน้องสะพยความจริงเงินสองหยวนนัน่นน่ฉันให้มากไปด้วยซ้ำ